176. อยัมพะปาลีวัตถุว่าด้วยหญิงงามเมืองชื่ออัมพะปาลี 288. หญิงงามเมืองชื่ออัมพะปาลีได้ทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงโกติคามแล้วจึงให้จัดยานพาหนะคันงามขึ้นยานพาหนะคันงาม มียานพาหนะคันงามหลายคันเดินทางออกจากกรุงเวสาลีเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเดินทางไปด้วยยานพาหนะตลอดพื้นที่ที่ยานพาหนะจะไปได้แล้วลงเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้นั่งเฝ้าอยู่ณที่สมควร พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้หญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลีผู้นั่งหน้าที่สมควรเห็นชัดชวนให้อยากกรับไปปฏิบัติเราใจให้อาหานแ ก, กล้าปลอบฉโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นหญิงงามเมืองชื่ออัมพปาลีผู้ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัด